สิกขาบทที่10ถามทรงบัญญัตทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งโคลงศรีรษะในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับ พ, พัก ค, คีนั่งโคลงศรีรษะทำคอพับในละแวกบ้านในสิกขาบทที่ส0บนั้นมีหนึ่งพระบัญญัตเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา อุดชักกีกาวักที่สองจบ